ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของพระเวสสันดรแต่ว่าวันนี้ก็คงจะนําเรื่องที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทราําคาญมาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต่อถญาติโยมรําคาญคงจะถามว่าก็รู้ว่าลาคาญแล้วมาพูดทําไม ต่อามาก็ต้องขอตอบว่าพูดตามแบบเฉบับคนรุ่นแก่ช่างบ่นแต่คนแก่ขี้บ่นนี่ก็บ่นตอนนี้บ่นตามพระพุทธเจ้าท่านบ่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอ้างผลว่าเป็นคําสอนของทัต่านธนญชัยเศรษฐีสอนนาวีสาขา่งเป็นลูกสาวกําลังจะแต่งงาน <c oughs> ที่องสมเด็จว่าวิธรมานอส่งมาตัก็ว่าเห็นว่าท่านพูดดีมีประโยชน์เจ้ามากราวไวในพระธรรมบทอันนี้ธรรมะก็เห็นว่าดีวันไหนไหนพระเวสสันดรก็สั่งพนังมัสี่ว่าทรัพย์นี้จงแบ่งไว้เป็นสามชนสี่ส่วนคือใช้นี่ใช่นี่เกา่าเป็นเจ้านี่ใหม่ แล้วก็ฟังไว้ทิ้งเหวียตอนนี้ก็เอาของเห็นว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นทุกคนมีความสุขและความสุขนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวภายในบ้านแต่เรื่องที่มีความสำคัญที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนมากที่ยังมีความสุขอีกก็มีสิบข้อคือนหนึ่งในไม่นำออกสองไปนอกไม่นาเข้า สามคนให้แก่ผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้วันมันก่อนมาจบลงตรงนี้และก็ข้อที่ห้าเป็นบอกว่าคนให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้ข้อที่หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุขแปดนอนให้เป็นสุข เก้าจงบำเรอไฟและก็สิคุณนอบน้อมกฐิวดาภายในนี่เป็นอนุว่าวันนี้ขอต่อข้อที่ห้าข้อที่ห้าท่านบอกว่าควรให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้นี่ฟังกันไปแล้วจะไปขัดกันใกล้สองสองข้อของตน ข้อสามนั่นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ข้อดีสี่ท่านบอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้มาขอ้อที่ห้านี่ยท่านบอกว่าควรให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ฟังดูแล้วคำสอนเขาถ้าเป็นขัดขัดกันฉกคนนี่เวลาที่ต้นงขัดมาแล้วแล้วต้องขัดต่อ ถ้บาบังเ อ, อิญนในแว่นตาของเราเนี่มันใสไม่พอเพราะฝุ่นละอองมาบางังก็ต้องเช็ดจนถูกให้มันสะอาดข้อนี้ฉันใดคำสอนของท่านธนันชัยจะเสียถีก็ไม่กันข้อที่สามนี่บอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ย้อนนิดหนึงนะทั้งนี้ก็หมายความถ้าคนดีเขาก็ยืมของเราไปเขากลับมาให้ตามเดิมเป็นปกติ เวลาที่เขามายืมใหม่ให้ได้ก็ได้สียบอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หมายกว่าคนที่ยืมของยืมเงินลราไปและเขาไม่ใช้ให้ตามปกติอันนี้จงอย่าให้ได้ขาดต่อไปมันจะอดตายก็ช่งมันเถ้าคนมันชอบทําลายตัวเองอาตมาก็เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วย ที่มาข้อที่ห้าจะบอกคนให้แกผู้ที่ให้และไม่ให้ก็เกิดขัดกันติก็อสามบอกคนให้แกผู้ที่ให้ข้อสี่บอกไม่ให้แกผู้ที่ไม่ให้ข้อห้าเขาให้หรือไม่ให้ก็าตามก็ให้เถอะแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงการยืมของแล้วข้อทีห้านี้หมายที่ว่าคนดีเขาอดเขาอยากที่เขามีความทุกข์ เขาไม่มีเสื้อไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มเราก็ให้ไปเป็นทานเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้เราก็ให้ไปเป็นทานนี่เราให้เพื่อหวังในด้านของกุศลเอาพูดถึงกุศลก็บอกว่าเอาแล้วขอสละวัดยุ่งอีกแล้วคาว่ากุศล น, นี่หมายแค่ว่าคนฉลาด คนดีให้ต้องให้ดรือความฉลาดต้องรู้ว่าคนที่รับนะ่ะควรให้หรือไม่ควรให้แต่ว่าถ้าเขามาขอทานในฐานะที่ต้องจะรักขโมยของมาดูลีลาคนประเภทนี้เราไม่ให้ก็ได้ให้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนทีอดตายจริงๆแข็งขายค้าขา ด, ขา ด, ขาดมือดีเท่าดีไตหิวกับตาย นุ่งผ้าขา่กระลุงกรุงกระลุงกระลิงพิจารณาแล้วว่าเป็นความจริงอันนี้ควรให้ให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์เพราะอะไรเพราะการให้เข้าไปเขามีความสุขนิดหนึ่งตามที่เราให้แต่น้ําใจเขาจะเต็มไปด้วยความขอบคุณที่เราก็ไม่ควรจะทวงหนี้คืนเจเข า, าหน้าแต่เขาไม่ไหวเราสั่งเขา เราถือว่าทำกำลังใจเพราะเราเป็นสังฆะวัตุสังฆะวัตุนี่เป็นจริยาที่ปลูกฝังความดีของจิตสร้างมิตรให้เกิดขึ้นคนเรามีเพื่อนมากก็มีความสุขมากมีเพื่อนน้อยก็มีความสุขน้อยมีคนรักมากมีความสุขมากมีคนรักน้อยมีความสุขน้อยการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์มากเท่าไหรมีวความสุขมากเท่านั้น และการให้ก็ไม่มีการกดเกณฑ์ว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้เราจะให้เท่าไรก็ได้เป็นไปตามอัธยาศัยของเรามาข้อ 6, ที่หกท่านบอกจงนั่งให้เป็นสุขระวังให้ดีนะนั่งให้เป็นสุขอย่าไปที่มันนั่งเฉยๆเรียกมาดีนินนอนส บ, บายเสร็จ นั่งให้เป็นสุขท่านหมายความเวลาจะนั่งนนะเวลาที่เราจะนั่งเนี่ท่านบอกญยา่านั่งให้ไกลเกินไปจะให้ย่าให้ไกลเกินไปสําหรับคนที่เราจะต้องปฏิบัติท่านหมายถึงว่าบิดามัรดาของสามีหรือบิดามันดาของปัญญาหรือว่าสามีก็ตามหรือว่าผู้บังคับกบัญชาก็ตาม ถ้าเวลาที่ท่านทำงานอยู่ท่านไม่ว่างเราต้องอยู่ปฏิบัติ <c oughs> อย่านั่งให้ไกลเกินไปจนท่าเรียกต้องใช้เสียงดังเรื่องการนี้สองอย่านั่งตรงหน้าเวลาไปหาคนเอย่านั่งตรงหน้าเราอยู่ที่บ้านปฏิบัติผู้ใหญ่ก็อย่านั่งตรงหน้ามันจะบังหน้าท่านเวลาแขกเขาจะมาแล้วก็อย่านั่งข้างหลังที่ท่านมองไม่เห็น นั่งเฉียงๆไปพอที่ท่มองเห็นแล้วลถนัดืล้วถ้ามองไปข้างหน้าก็สามารถีะเห็นเราไม่บังหน้าท่านไม่นั่งข้างเกินไปไม่นั่งหลังเกินไปเฉียงๆไปนถนัดแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปเพเดี๋ยวเขาพูดอะไรกับแขกถ้าคนมาต้องการไม่ให้เราได้ยินมันจะเสียมันยากนั่งไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไป เวลาที่ท่านอยาเรียกใช้เรียกเบาๆแล้วพยักหน้าก็พอรู้นี่องค์สมเด็จพระรพรบรมครูทรงแรอมว่านั่งแบบนี้มันมีความสุขข้อที่เจ็ดท่านบอกจงบริโภคให้เป็นสุขบริโภคให้เป็นสุขไม่ใช่มีเท่าไหร่กินก่อนให้มันอิม่มคนก็อหลังมีจะกินมีกินแล้วไม่มีกินช่างมันไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าถ้าเราเป็นสะพายและเื่นคนจัดเรื่องอาหารให้คนในบ้านเนี่ยเขากินกันเสียก่อนอิ่มน้ำสมราญดีแล้วมันเหลือข้างหลังเท่าไรเรากินเท่านั้นนถ้าพูดถึาพวกรูกสัพายนะจะมาว่าเขาก็ขอพูดว่าพูดกับทุกคนปฏิบัติตนเหมือนกันดูเฉลี่ยกันถา้าเราอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกินร่วมกันแล้วก็ต้องดู ไอ้ที่ข้างหน้าของเราเนี่ยมันมีมากที่ของเพื่อนนะมีมากและมีน้อยถ้ามีน้อยคนจะขยับประคองทุกอย่างนั่งกินวงเดียวกันให้ทุกคนเอื้อมถึงเหมือนกันหมดไม่ใช่มากีดมากันในเรื่องกันกิงกันนี่สำหรับเรื่องนี้ท่านบอกว่าให้วิดาบรรดาพ่อผัวแม่ผัวและผักินซะก่อน กินแล้วเขากินอินมหนำสำราญเหลือเท่าไรเรากินเท่านั้นอย่างนี้ที่ว่ากินเป็นสุขไม่มีใครระยะห า, าเรากันกินนักะตะกร้ตะกลามได้อันนี้ต้องรามาดระวังไม่รู้สิไพ่ลำบากแล้วก็ต่อมาข้อที่แปดท่านบอกจงนอนให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขไม่ไไมีหมายความนอนหามรุ่มหามค่านะไม่ใช่อย่างนั้น ไม่เดี๋ยวจะเกิด ว, ว่านอนหวามรูงของคํานอนให้มันสบายสบา ย, บา ย, บายใจิตใจเป็นสุขไม่ใช่อย่างนั้นการจะนอนท่านบอกว่าจะนี้กิจอันใดบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติสําหรับข่าผัวแม่ผัวแล้วก็สามีของเรานําใช้นําชันบุรีกาแฟาเรื่องอะไรที่สามีจะต้องใช้ก่อนก็ถ้าอธิบัติก่อนนอนก่อนหลับ มีอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เสร็จน้าใช้น้ำล้างหน้าน้ามาแปลงสีฟันอะไรอย่าสีฟันไอเตยขึน้นมาสามีจะใช้อะไรบิดาสามบิดามันดาสามีจะใช้อะไรเวลาตื่นเตรียมไม่พร้อมเสร็จวางไวนในที่จำกัดที่ท่านเคยใช้ท่านตื่นมาเมื่อไรท่านหยิบใช้ได้ทันที แล้ตื่นมาอะไรก็เคยเรียกเราให้เราหยิบเราก็หยิบทันทีแล้วไม่ไม่ต้องไปหาใหม่อย่างนี้เองเรานอนมาทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อนั้นเวลา น, นอนเขาไม่ต้องห่วงจะหลับยังไงก็ได้มันก็หลับอย่างมีความสุขไม่เอานอนเพอหลับพอตื่นเขาตื่นขึ้นมาก็าปลุกประทา้นั่นอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนนี่มันไม่มีความสุขนะ นี่น่าจะไปปฏิบัติกันไม่ใช่แต่เป็นลูกสะัยอย่างเดียวพวกลูกเขยพวกพ่อผัวแม่ผัวหอตาแม่ยายและคนทุกคนครจะปฏิบัติเหมือนกันนี่ททนันชัยเสถีละสอนลุกสาวของท่า น, าาานว่าเรา้าตมาคิดว่าทุกคนคนปฏิบัติมันมีความสุขดีในข้อที่ก้าจะบอกจงบำเรอไฟ บำเรอไฟในหมายความพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยแล้วก็ผัวก็เหมือนกันมันมีสภาพเหมือนไฟไฟนี่ถ้าเวลามีประโยชน์อะมาหัวามาต้มคนได้ถ้าใช้ไม่ถูกประโยชน์มันก็ไหมแล้วร้อนฉะนั้นเพาะไอ้ผัวก็ดีพ่อผัวแม่ผัวก็ดีเวลาเขาจะไปขอเรามาในเขารัก แต่ก็เคยได้ยินข่าวไหมคนที่รักๆแต่งงานกันเยอะแย ๆ, ๆนั่นในที่สุดก็แยกทางกันเดินทะเลาะเบาบางหาเรื่องหาราวซึ่งกันและกันเป็นอนุว่าท่านบอกสา ม, มีก็ดีบินดาบรรดาของสา ม, มีก็ดีเราควรจะพิจารณาดูว่าท่านพอใจอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีนิยม เราปฏิบัติตามใจท่านเพื่อความสุขของเราอย่างนี้ชิ้ว่าเป็นการบำเรอไฟแม้แต่มาก็ขอมาพูดกับคนที่ท่านอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าไม่ใช่สามีพัญยายก็ตามหากว่าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่หรือว่าระเบียบภาระอันใดที่มันมีอยู่ในสถานที่เราจะเพ่งอยู่ร่วมกัน เขามีระเบียบอะไรไว้รับปฏิบัติตามแบบนั้นทุกอย่างไม่ฝ่าฝืนระเบียบหนึง่งและบริการนี้สองไม่ขัดใจกันหนึง่งเปลนว่าการปฏิบัติหนึง่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบด้วยแล้วก็สองปฏิบัติไม่ขัดใจซึ่งกันและกันด้วยแทนสองบรยการนี้เรียกว่าบำเรอไฟ หากว่าบคุคคลผู้ใดพยายามพิจารณากำลังใจความต้องการขร้งสิ่งกันและกันแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็สามารถาจะสร้างความสุขกับตนเองได้นี่เขาทำเพื่อความสุขกับตนเองนะเราอยู่ในความเป็นสุขข้อทีสิบถ้าบอกคนนอบน้อมกับเทวดาภายในนี่ก็หมายความว่ า, วา บิดาบรรดาของสามีความจริงท่านบอกบิดาบรรดาของสามีเนี่ยควรจะนอบน้อมเพราะว่ายกไกลานยกใก้ท่านก็เหมือนเหมือนกัท่านกับเป็นพ่อเป็นแม่เขาุ่นเองการนึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เขนเลยกันอภิญญาณกรรมกรรมคือการอ่อนน้อมกับแสดงความเคารพมันเป็นความดีนะลูกนะท่านบอกอย่างนั้น ถ้าหมายความว่ามันเป็นความดีเราเป็นผู้น้อยเราอย่าตีตนเสมอผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ท่านทมํมตนมาเล่นกับเราเป็นความดีของท่านแต่ว่าบังเอิญถ้าเราไปตีเสมอท่านมันเป็นความเลวของเราจนนั้นขอลูกจงพยายามนอบน้อมแก่ท่านธรรมเทวดาภายในกับม่ไม่ติบิดามานดาของสามี หว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกันก็หมายครามวคนใดที่เขาไปมาทานอยู่ในนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นเราให้ความเคารพตามกาครวะที่ควรปฏิบัติท่านี้ก็หมายความว่าเราทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันไม่เพื่เบียบวินัย การให้อภัยซึ่งกันการกันลยกันหมายความว่าท่านพู้ใดเป็นผู้ใหญ่เยวเรายาอมเคารพท่านพวกง่ายๆดีกว่าเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ทำความเคารพยินแย้มแจ่มใสเจอและไม่ตีตนเสมอท่านอย่านี้เป็นเสน่ห์ใหญ่นี่เป็นอันว่าเวลาเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีสิบเอดปี เป็นนั้นว่ายังไม่ต่อเรื่องพระเวสสันดรเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้ามากราอีกตอนนี้จบไปแล้วสิบข้อนั่นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนันชายเดชฐีสอนนางวิสาขาท่านนั้นหลายผู้รับฟังฟังแล้วทั้งสองตอนมาตอนแรกสี่ข้อตอนหลังสิบข้อตรงไปพิจารณาดู ว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นมันจะเป็นความสุขและความทุกข์นี่เหลือเวลาสิบเอดนาทีแบ่งตอนละห้านาทีมาว่ากันเรื่องสามีภรญยาคนที่แต่งงานกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันที่มีเรื่องแยกทางกันเป็นทัศนคของท่านแต่ว่าในทัศนของพระพุทธเจ้านี่ แต่ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วสมเด็จพระบัณแก้วทรงจัดว่าน่าจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะไปพูดแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระนี่ไม่รู้เรื่องของผัวของเมียจะลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ท่านมีเมียมาก่อนและเมียท่านก็ไม่จะมีแต่ว่านางพิมพาคนเดียวมีเป็นฝูงเลย แต่การมีเป็นฝูงของท่า น, นก็ปรากฏว่คนของท่านไม่ทะเลาะ ก, กันท่านแบ่งสั้นปันส่วนกันยังไงท่านปฏิบัติแบบไหนลงฟังเรื่องของท่าน <c oughs> ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าสามีที่ดีอย่าไปเอสามีที่ดีนะไม่ใช่สามีที่เลวสามีที่ดีเพื่อหวังความสุขภายในบ้าน ควรปฏิบัติกับพัญญาเของตนห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเธอเป็นพัญญานี่หมายความให้เกียกับเขาถือเขาเป็นสัตว์สีของบ้านนี่เขาเป็นแม่บ้านนะความจริงอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นความจริงคนเราถ้าลงให้กําลังใจกันเนี่ยงานทุกอย่างมันก็ไม่เหนื่อย มีกำลังใจทำท่ า, าอมอบหมายการงานและคนที่รับมอบเนี่ยจะต้องทำจนทั้งสุดความสามารถพยายามให้มันดีที่สุดที่เพึงทำดีได้เอ้ยพอพูดเรงตอนนี้กันน่กถึงคนๆ น, นั่นก็คือท่านพลเอกเสริมนนนครตอนที่ท่านเป็นเสนาธิการแล้วก็ท่านบุญชัยบรณฑงพง์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ บ, บกตอนนั้นท่านมะโรงชัยท่านจะเกษียณอายุนาแต่มาก็มีโอกาสคุยกันนายทหารชั้นผู้ใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างไปกลางบ้างย่อมลงมาบ้างถามว่าท่านพลเอกเสือนาณครถ้าเป็นผู้บัญชาการด่านบอกจะดีไหมท่านนายทหารผู้นั้นบอกทุกอย่างท่านดีหมด งานท่านหยุ่หญิ้มเกินไปละเอียดออนมากเหมือก็ผู้หญิงมาถามท่านผลเอกเสลิมแนครสมัยนั้นเป็นเสนาธิการท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทาอย่างนั้นเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการท่านอย า, าว่าเราหยาบงานทุกอย่างจะต้องทําให้ครบท้วนอันนี้ของท่านถูกหมกายความคนที่รับมอบหมายกต่งานต้องทําให้เต็มความสามารถังงานวันมีอะไรยบ้างทําให้มันครบท้วน นี่เป็นนาว่าถ้าเรามีพัญญาแล้วก็ยกย่องนับถือว่าเธอเป็นแม่บ้านเป็นใหญ่ในบ้านภายใดนใีใ่เป็นใหญ่แต่ระวังนั้นให้เหลืองนะต้องดูคนดีนะไอคนที่เกินคนดีมันมีอยู่แต่ประเภทปากมาจริยาเป็นควายแล้วก็อย่าไปเม้าความเป็นใหญ่ให้นะควรจะขับออกไปจากบ้านเลย ต้องดูคนดีมอบความดีให้แต่ยิ่งมอบให้ยิ่งดีแล้วก็มอบถ้ามอบให้เร็วก็ขับเฉียดไปเลยหมดเรื่องว่าสองไม่ดูมิ่นว่าเธออยู่ในฐานะอะไรบางทีเราไปมหาเศรษฐีได้เมียจนๆมาบอกเออลกคนจนลูกคนใช้ยิ่งใช้ไม่ได้ไม่ดูมินต้องยกย่อเสริญนะอถ้ายกย่อเสริญกัน นั่นก็บริการในสามไม่ประพฤตินอกใจสามีนะ่ะมัธยปัญญาไปคบหาชายอื่นหาเป็นชู้เป็นหญิงเลวถ้าสามีไปคบหญิงอื่นนะ่ะใจเขาใจเราเป็นก็เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการในเขานอกใจเราเราก็ไม่นอกใจเขาถ้าเรานอกใจเขาสักวันหนึ่งขา้าณาเขาก็ต้องนอกใจเรา เมื่เวลาที่เขามาอยู่เขาต้องการอะไรบ้างเราทราบไหมถ้าสิ่ง น, นั้นที่เขาต้องการไม่มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มันจะทนไหวหรือเอาข้อดีสี่มอบหมายความมันใหญ่ภายในบ้านให้นี่เมื่อข้อหน่งยกย่องว่าเป็นพัญญาเป็นแม่บ้าน ขอ้อที่สองไม่ดูหมิ่นขอ้อที่สามไม่ประพฤตินอกใจข้อที่ 4. ี่มอบหมายความเป็นใหญ่ในบ้านให้ให้ปกครองให้มันดีๆนะแต่ต้องก็คอยเตือนกันว่าฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้นะเธอช่วยจัดการทีเธอค่อยๆพูดกันอย่าใช้อำนาจและข้อที่ห้าถึงเวลาวันเกิดือสิ้นปีเก่าวันสาคัญสำคัญ ก็หาเครื่องรางวัลมาให้ให้คเครื่องระดับคือเครื่องแต่งตัวจะเป็นแหวนเพชรหรือว่าเป็นแหวนแก้วหรือเป็นแหวนกระจบเป็นแหวนทองคําเป็นแหวนนาคเป็น แ, ว น, านานแวนอะไรก็ช่างเถอให้มันเป็นสินตั้มใจเป็นกําลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานนะี่ยเพราะว่าแม่บ้านที่ดีเนี่ยไปักกวาดเช็ดถูทาําความสะอาดจัดระเบียบภายในบ้านมันเหนื่อยเกือบตาย ได้งานนี้ทำเท่าไรไม่เห็นมันแปลกตามันอยู่ตามบติมันเรียบร้อยแล้วก็ น, นี่ก็แม่บ้านมาันจะทำได้ความจริงนั้นก็ททำเกือบตายถ้าถามอาตมาว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องบอัอาตมาเคยทำงานนี้มาก่อนเคยทำงานประเภทที่แม่บ้านย่าพึ่งทำมาก่อนก็รู้งาน ไอ้คนทํางานเองก็เห็นยกฟันดินฟันยาหเห็นรุดหน้าไปไอ้คนจาัด ก, การบ้านทำเกือบตายมันก็อยู่แค่นั้นมันแค่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรหาความเรียบร้อยไม่ได้เนะต้องคิดนะ <c oughs> ต่อไปเมื่อสามีปฏิบัติกับพัญญาตามนี้ท่านบอกพัญญาที่ดีก็ควรก็ปฏิบัติสามีห้าอย่างเหมือนกัน ปัญญาที่ดีนะตาที่เร็วก็คงไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสามีที่ดีก็ปฏิบัติตามนั้นปัญญาที่ดีก็ปฏิบัติตั้งต่อไปนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตั้งต่อไปนี้ก็เป็นปัญญาที่เร็วควรเฉียดไปได้เลยหนึ่งจัดงานดีที่ก็มอบหมายให้ทำได้การนะมัตระวัางถ้าไม่เข้าใจต้องถามสามีสองสงฆ์ บริวายของสามีคือคนข้างเคียงะจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวพี่ผัวน้องผัวเพื่อนผัวหลานผัวเลนผัวนี่หมายหมายกว่าส่งเขาเขาเข้ามาก็ต้อนรับดีให้สักเสียให้เกียรติสามีก็เชื่นใจแล้วก็สบายสามไม่ประพฤตินอกใจสามีนี่ถ้ามันต้องต่อรองที่นะ ถ้าบ <ừ. S 2> ่าสามีแกไปหาหญิงนอกบ้านเชีต้องหาชายนอกบ้านแต่แกไม่หาฉันไม่หาเทหลักว่าันบูชาและปเิบูช่างผู้บูชาต้อการบูชาตอบเออวันโกปิวันเทนังผู้ไหวอยู่ในไหวตอบนี่แกเจ้าชู้ฉันก็เจ้าชู้บังถ้าแกไม่ต้องการในฉันจะชู้ฉันก็ไม่จะชู้ใจผู้ของีน่ะ เดี๋ยวเกิดทะเลาะกันบ้านพังแตกแมวนะ่ <c oughs> านบอกวาเราประพฤติดีไว้แล้วเขาไม่ไปไหนหรอกเป็่การประพฤติดีประพฤติชอบได่มีนายทหารอยู่คนนานแล้วแต่งงานกันแกก็ชอบเที่ยวนอกบ้านแต่ว่าโดนปัญญาใจเด็กเธอยังเป็นเด็กอายุสิบแปดปีสามีสามสิบเศษ โดนพัญญาใจเด็กเขา้าหมายความถ้าสามีก่อนจะกลับจะราชการเธอรีบผ้าเราวเรียบร้อยอาสตางใสก่กระเป๋าสามีกลับมาบ้านบอกว่าผ้ารีดเป็นแล้วสัฟตังใส่ไปแล้วาาสาอมีแต่งตัวไปถ้าสามียังไม่กลับเธอไม่ยอมหลับแล้วหน้าไม่เคยเบึง่งหน้าไม่เคยงอ ยิ้มแย้มจ่มใสโดยก็แบบนี้ไม่ถึงสองเดือนสา ม, มีก็ลดตัวหลังจากทุกวันไปกลายเป็นวันสาวอาทิตย์ธนาเข้าก็เลยไม่ไปเลยพอไม่ไปเลยเทก็เห็นสามีชอบสุราเทก็จัดสุราไว้ให้ในที่สุดสามีก็เลยเลิกสุราไม่เที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ไปติดผู้หญิงด้วยไม่กินเหล้าด้วยนี่ความดีชนะความชั่วตามนี้ แล้วก็ข้อต่อไปสี่รักษาสัพย์สามีให้มาด้วยดีการรักษารัพย์สามีให้มาด้วยดีนี้ต้องดูตัวอย่างพนามสีเป็นเหตุอานเวลาเหลือนาะทีครึง่งห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงหมายความภารกิจทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของแม่บ้าน ให้แม่บ้านในจริงจริงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะมาทราบงานนี้ดีทั้งนี้เพราะรเพราะเคยปฏิบัติงานประเภทนี้มาแล้วเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งลูกบ้านเป็นทั้งหลานบ้านเป็นทั้งเลนบ้านเป็นทั้งผู้ปกครองตัวเองมีหน้าที่ตั้งแต่พานโรงขึ้นไปถึงผู้บัญชาการตำแหน่งนี้ที่มีชื่อมันได้เพระโยู่คนเดียว อยู่คนเดียวรับตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่ผู้พันรงถึงผู้บัญชาการเป็ว่างานบบเบทนี้เข้าใจว่าหน่วยขนาดไหนแต่ก็จำจะต้องทำเพราะเรารักความสุขอาตบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเปไปเรื่องราวขบวเวชสันดอนสองตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสนาที่ตัดจกะครวาดเพื่อปฏิบัติเพื่อความสุขของท่านลองมาคุยกัน แล้วดูที่ว่าถ้าคนลองไปนําไปประพฤติปฏิบัติลองปฏิบัติดูก่อนอย่าเพื่อเชื่อกันถ้ามันดีแล้วก็ทําต่อไปถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรโยนทิ้งไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้นี่ก็เห็นแล้วเวลามันหมดขบรรดาสทรานสาวกข้าองค์สมเด็จพระบรมสโคตทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วของเขาลาก่ร ขอมันดาสาวกขององ์สมเด็จพระจินาวรโณพุทสัตว์ก็จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนัสุขขพละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดเออขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี